ชื่อเวทนาก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ให้รู้อันใช้คำว่าให้เสวยหรือให้กินก็ได้ จึงมักจะใช้คําในภาษาธรรมว่าสวยสุขสวยทุกข์หรือเป็นกลางๆางไม่ทุกข์ไม่สุขก็คือกินสุขกินทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็หมายถึงตัวสุขทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางวาาัตยาที่ทราบอยู่ ที่ปรากฏอยู่ที่รู้อยู่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่นี่เองซึ่งเวทนานี้ก็เป็นสิ่งที่บังเกิดผัดเปลี่ยนกันอยู่เสมอ บางคราวก็สุขบางคราวก็ทุกข์บางคราวก็เป็นกลางกลงไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายบางทางวาจาจบางเวทนาจึงเป็นอย่างนี้สัญญาความจำหมาย ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นความรู้จําที่ปรากฏเป็นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลทัพะจำเรื่องราวอะไรต่างๆได้ความจําที่เป็นความรู้อย่างหนึ่ง เรียกว่าความรู้จำก็คือสัญญาสัญญาก็คืออย่างนี้สังขารความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่างๆที่ทุกคนก็รู้อยู่ ถึงความคิดปรุงหรือความปรุงคิดของตนซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตใจก็ปรุงคิดรูปบางเสียงบ้างปิ่นบ้างรดบางโพธพภาพบางเรื่องราวต่างๆบา ง, า ง, บงแล้วก็เป็นคิดดีบางคิดไม่ดีบางคิดเป็นกลางๆบา ง, บง ความคิดปรุงหรือความปรุงคิดนี่ก็คือสังขารสังขารก็เป็นอย่างนี้วิญญาณความรู้เห็นรู้ได้ยินก็คือ เห็นรูปได้ยินเสียงทราบกลิ่นรสผพิตภัคิดได้รู้เรื่องราวทางมนโนคืดใจอันบังเกิดขึ้นในเมื่ออาจตนะภายในและอาจตนะภายนอกประจบกันเห็นตากับรูปประจบกัน ก็เห็นรูปหูก็เสียงประจบกันก็ได้ยินเสียงการเห็นการได้ยินเป็นต้นนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งรู้เห็นรู้ได้ยินนี่คือวิญญาณวิญญาณก็เป็นอย่างนี้ กำหนดดูให้รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นไปอยู่กําหนดพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ดังเดือถือกําหนดเกิดก่อขึ้นในขันของมารดา จนถึงในปัจจุบันและต่อไปจนถึงแตกดับก็เป็นโรคเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นบิน ญ, ญาณอยู่อย่างนี้อย่างนี้แม้ว่าความเป็นไปของ ขันท่าจากปรากฏเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่หรือเป็นโกรจนถึงแตกดับจะปรากฏ แตกต่างกันอย่างไรแต่ก็ย่คงอยู่ในลักษณะเป็นรูปคือเป็นมหาภูตรูปปารายรูปเป็นเวทนาสุขทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นสัญญาจําหมายเป็นสังขารคิดปรุงหรือปรุงคิดเป็นวิญญาณ รู้เห็นรู้ได้ยินเป็นต้นอยู่นั่นเองมีลักษณะเป็นขันห้าอยู่ดังนี้และที่ชื่อว่าขันที่แปลว่ากองก็เพราะว่าแต่ละข้อนั้นก็เป็นส่วนผสมปรุงแต่งจาก ส่วนประกอบทั้งหลายรวมเข้าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นต้นจึงเรียกว่าเป็นขันที่แปลว่ากองหมวดหมู่เพราะฉะนั้น ก็ให้พิจารณาให้รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้และเมื่อได้กำหนดพิจารณาให้รู้จักอย่างนี้แล้วก็ให้รู้จักความเกิด ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตว่ารูปเกิดขึ้นอย่างนี้คือว่าส่วนทั้งหลายที่เป็นรูปมาประชุมปรุงแต่งกันขึ้น จากเหตุปัจจัยสองส่วนคือเหตุปัจจัยที่เป็นภายในอันได้แก่เอาวิชาตันหาอุปาทานกรรมและที่เป็นส่วนภายนอก ก็คือที่เป็นตัวธาตุทั้งหลายส่วนรูปมาประชุมปรุงแต่งกันขึ้นเป็นก้อนเป็นกองตั้งแต่กละละอันเป็นจุดเริ่มต้นในขันของมันดามาจนปัจจุบัน และอาศัยอาหารต่างๆซึ่งบุคคลบริโภคตลอดจนถึงลมหายใจเข้าออกเป็นอาหารบำรุงรักษารูปนี้ให้ดำรงอยู่ก็เป็นความเกิดขึ้นของรูป ความเกิดขึ้นของเวทนานั้นก็มาจากเหตุปัจจัยซึ่งมาสัมผัส กายใจนี้เมื่อเหตุปัจจัยที่เป็นที่ตั้งของสุขก็ให้เกิดสุขเหตุปัจจัยที่เป็นที่ตั้งของทุกข์ก็ให้เกิดทุกข์เหตุปัจจัยที่เป็นที่ตั้งของเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็ให้เกิดเวทนาที่เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุข ก็ปรากฏเป็นความเกิดขึ้นของเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปก็เป็นความเกิดของเวทนาสัญญาคือความจำหมายก็เช่นเดียวกันก็มีเหตุปัจจัยให้จำหมายก็คือความสัมผัส ทางอาจตนรภายในภายนอกและทางตัวความรู้ซึ่งเป็นวิญญาณซึ่งให้เกิดเวทนาแล้วจึงให้เกิดสัญญาคือจำหมายได้ ในรูปในเสียงเป็นต้นที่มาสัมผัสมาประสบพบผ่านก็เป็นความเกิดขึ้นของสัญญาสังขารความคิดปรุงหรือปรุงคิดเกิดเช่นเดียวกันก็มีความเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่มาสัมผัส เป็นเวทนาเป็นสัญญาแล้วก็นอาออกสิ่งที่จำนั่นแหละมาคิดปรุงหรือปรุงคิดขึ้นต่างๆเพราะหว่างคนเรานั้นจะไปปรุงคิดหรือคิดปรุงคิดปรุงในสิ่งที่ลืมไม่ได้คิดปรุงหรือปรุงคิดได้แต่ในสิ่งที่จำได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยคือความสัมผัส ที่นำให้เกิดเมตนาสัญญาจึงสืบมาถึงสังขารความคิดปรุงหรือความปรุงคิดก็เกิดขึ้นนี่ก็คือความเกิดขึ้นของสังขารวิญญาณ น, นั่นเล่าก็อาศัยเหตุปัจจัยก็คือนามรูป หรืออาาจักรภายในภายนอกที่มาประจวบกันจึงได้บังเกิดความรู้เห็นหรือรู้ได้ยินเป็นต้นที่เราเรียกว่าเห็นที่เราเรียกว่าได้ยินแต่อันที่จริงนั้นก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเห็นก็รู้ได้ยินก็รู้ก็รอจนถึง ทราบกลิ่นรสผพิตภัก็รู้คิดหรือรู้เรื่องราวต่างๆก็รู้ก็ฉะนั้นเมื่อสิ่งที่ทำให้รู้ก็คืออายตนะเป็นต้นดังกล่าวนั้นมาประจวบกันก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดวิญญาณ ซึ่งเป็นความรู้เห็นรู้ได้ยินเป็นความรู้ที่เรียกว่าทราบหรือความรู้ที่เรียกว่ารู้หรือคิดทางใจก็เป็นความเกิดของวิญญาตพิจารณาให้รู้จักว่าความเกิดขึ้นของรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้และเมื่อได้กำหนดพิจารณาให้รู้จักความเกิดดังนี้แล้วก็พิจารณาให้รู้จักความดับว่าความดับของรูปก็คือ ความดับที่เป็นความสิ้นความเสื่อมไปตามธรรมดาความดับที่เป็นความขาดอาหารคือหาดขาดเหตุปัจจัยที่จะมาก่อให้เกิด เมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยที่ก่อให้เกิดก็ดับและความดับที่เป็นธรรมดาที่เป็นความเกิดความดับก็เป็นความสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยนั้นอีกเหมือนกัน มีอยู่เป็นธรรมดาและความดับนี้มีอยู่เป็นประจำเป็นปัจจุบันธรรมแต่อาศัยสันตติคือความสืบต่อ ดังเช่นบริโภคอาหารเข้าไปบำรุงเลี้ยงรูปประกายแล้วก็บริโภคอาหารเพิ่มเติมเข้าไปอีกความสืบต่อชีวิตจึงดำรงอยู่จึงเป็นไปอยู่แต่ว่าในที่สุดเมื่อถึงคราวที่จะดับ ในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถจะใส่อาหารเข้าไปได้ก็ต้องดับเป็นความตายในที่สุดแต่เมื่อยังเพิ่มอาหารเข้าไปได้ก็เป็นความดับที่ยังต่อได้พราะฉะนั้นบุคคลเราจึงต่ออายุกันอยู่เสมอด้วยอาหารซึ่งความจริงนั้นอายุของรูปปักายนั้น สิ้นไปหมดไปอยู่ทุกขณะแต่ต่ออายุกันได้โดยอาหารก็ต่อไปอาหารที่เห็นได้ชัดก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งต้องบริโภคกันอยู่ทุกลมหายใจเข้าลทุกลมหายใจออกดังที่ปรากฏกะหากว่า ต้องขาดอาหารคกือลมให้ใจแม่เพียงไม่นานนักชีวิตนี้ก็ดำรงอยู่ไม่ได้แต่ชีวิตนี้ดำรงอยู่ได้ก็เพราะว่ายัางให้ใจเข้าให้ใจออกรับเอาลมเข้าไปเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงฉะนั้นช่วงของอายุของรู ป, ปกายจริงๆนั้น จึงไม่ยาวสั้นนิดเดียวแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้นั่นแหละแต่อาศัยที่ต่อได้คือให้ใจต่อกันไปได้อายุจึงต่อไปไม่สามารถหายใจได้เมื่อใดก็เป็นอันกันนั้นแปลว่าต่อไม่ได้ก็เป็นความดับที่ปรากฏ เมื่อยังต่อได้อยู่ก็เป็นความดับที่ไม่ปรากฏแต่อันที่จริงนั้นอายุของรู ป, ปรกายสิ้นอยู่ทุกลมหายใจเขาออกอยู่แล้วแต่ต่อได้เท่านั้นคือดับอยู่แล้วแต่ว่าต่อได้จนถึงต่อไม่ได้จึงเป็นความดับที่ปรากฏเป็นความตายที่ปรากฏนี่เป็นความดับของรูป ความดับของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับอยู่ทุกอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นในอารมณ์อันหนึ่งแล้วก็ดับไปในอารมณ์อันหนึ่งนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์นั้น เกิดดับเร็วมากทุกๆคนนั้นรับอารมณ์ทางตาที่เรียกว่ารูปารมณ์อารมณ์ทางหูที่เรียกว่าสัทธารมณ์ครู่หนึ่งก็มากมายอย่างในบัดนี้ กำลังรับจัตตารมอารมณ์คือเสียงที่อบรมนี้เสียงที่อบรมนี้คําหนึ่งคําหนึ่งก็เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งคําที่หนึ่งเข้ามาก็เป็นเกิดแล้วก็ดับถึงอารมณ์ที่สองเข้ามาก็เกิดดับจึงถึงอารมณ์ยังถึง ถึงถึงอารมณ์ที่สก็คือว่าคําที่หนึ่งคำที่สองคำที่สนั่นเองคําหนึ่งก็เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดไปดับไปกับอารมณ์ที่เกิดดับไปโดยลําดับเพราะว่าจิตนี้ รับอารมณ์ได้คราวละหนึ่งเท่านั้นเมื่ออารมณ์ที่กําลังรับอยู่ตั้งอยู่อารมณ์ที่สองก็เข้ามาไม่ได้ต้องอารมณ์ที่หนึ่งดับจึงถึงอารมณ์ที่สองเข้าได้แล้วก็ดับอีกจึงถึงอารมณ์ที่สามเข้าได้ฉะนั้นคาหนึ่งก็คืออารมณ์นมนหนึ่งอารมณ์หนึ่งเมื่อจิตรับเข้ามาก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกข ทุกอารมณ์อารมณ์เกิดดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอารมณ์นั้นก็เกิดดับไปพร้อมกับอารมณ์อารมณ์นี้ก็เกิดดับอยู่ทุกขณะทุกคำดังที่ยกตัวอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้จึงเกิดดับแต่ว่าติดต่อเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อไม่พิจารณาจึงไม่รู้สึกว่าเกิดดับเมื่อพิจารณาแล้วจึงจะรู้สึกว่าเกิดดับแต่เพราะมีสันติคือติดต่อกันเองเหมือนกันจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องเดียวกันไปจนกว่าจะขาดสันติคือความสืบต่อ ในที่สุดอันเรียกว่าความตายในที่สุดความแตกสลายในที่สุดจึงปรากฏเป็นความดับที่ไม่มีต่อเพราะฉะนั้นก็พิจารณาให้รู้จักว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตดับอย่างนี้อย่างละเอียด ก็ดับถัดจากเกิดในปัจจุบันแต่ยังมีสันติแต่เมื่อพิจารณาอย่างหยาบ ก, ก็คือว่าขาดสันติในที่สุดก็เอนก็เป็นอันวดดับในที่สุดไม่มีต่ออีกเป็นความตายหรือเป็นความแตกสลายของขันที่ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้น ก็หัดพิจารณาให้รู้จักขันห้าว่าเป็นอย่างนี้ความเกิดของขันห้าว่าเป็นอย่างนี้ความดับของขันห้าว่าเป็นอย่างนี้ดังนี้ก็เป็นสติปัฏฐานตั้งสติในขนันนับว่าเป็นวิปัสสนาปัญญา อันภูปฏิบัติธรรมสมควรที่จะปฏิบัติหัดพิจารณาให้รู้จักต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเ่งอบรมในการปฏิบัติ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 พระบรมศา ส, สดาได้ตรัสสอนให้ตั้งสติพิจารณาขันธ์ห้าจากนั้นก็ตรัสสอนให้พิจารณาอาจตนะ ภายในหกภายนอกหกซึ่งประจวบกันการพิจารณาอายตนะนี้เป็นวิธีตั้งสติ อย่างดียิ่งและเป็นการตั้งสติจับปัจจุบันธรรมธรรมะที่เป็นปัจจุบันอันมีอยู่เป็นไปอยู่ ที่ตนเองและอายนตนะนี่ย่อมเป็นที่ตั้งต้นของขัน ซึ่งเป็นปัจจุบั น, นธรรมและเป็นที่อาศัยเกิดแห่งอากุศ ล, ลธรรมและกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายอีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ภูปฏิบัติธรรมพึงทำความเข้าใจและตั้งสติกำหนดให้รู้จัก อาจตนาที่เป็นไปอยู่และให้รู้จักตลอดจนถึงขันธ์าที่บังเกิดขึ้น